แลตอนนี้โครงการของคุณต่อเรื่องสถานปฏิบัติธรรมกไ็ไปทางไหน ก, ก็ยังอยู่กับที่ครับอาจารย์แต่ว่ายังไม่ค่อยมีเวลาแล้วแบบบัดดีกำลังวางแผนอยู่แล้วอาจาร<อ>แต่ว่าลองรับลองรับโยงได้นะครับอาจารย์อนอนได้เป็นสิบสิบคนแล้วห้องน้ําต้องสิบห้องแล้วอาจารื์แต่ส่วนใหญ่มันสําคัญที่ครูครูสอนให้ถ้ามีครูสอนนี่บางทีก็ไม่รู้จะพยทําอะไรกันครับนะ แต่ก็เน้นว่าเอาไว้ลองรับผู้ปฏิบัติก็ได้ครับพระอาจารย์หรือมาหาพระาจารย์เนี่ยก็ไปพักเช้าก็กลับมานอนที่นี่ก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์พระอาจารย์เดินทางก็ไม่ลำบากนะครับเป็นไงชันไหมไภาพชันไหมวีออนออนไลฟ์ใน o m o r r o w โอเค ค, นน ค, คุณนนคุณหลวงพ่อคุณคุณหอคุณคุณหลวครับงอคนณคุณหลวงพคุณควงพ่อครัคุณหลวงพ่อคุณคุลวงพ่อคุณคหลวงพ่อคุณคุณหลวงพ่อคุลอคุลง่อคุณคุณหลวงพ่องพ่อคคหลว่คุณลวงพอคหลวงพ่อคลูกพกลวงอ่่พอหลว แล้วก็ยังชอบอยู่หลงอยู่คะ่ะแต่กําลังตามดูอยู่ทำอย่างนี้ถูกต้องไหมคะไม่ควรที่จะไปตามดูรูปสวยๆงามๆควที่จะฝืนอย่าไปดูมันแล้วพยายามดูรูปที่ไม่สวยงามแทนเช่นเห็นคนสวยงามก็ดูคนรูปของคนที่ไม่สวยงามหรือดูเข้าไปข้างในล้าดู เหมือนกระเป๋าเนี่ยบางทีดูข้างนอกสวยแต่พอเปิดกระเป๋าเข้าไปอาจจะมีขยะอยู่ข้างในกระเป๋าก็ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามดูอาการ32ของร่างกายพยายามฝึกท่องชื่อไปก่อนก็ได้ผมขนเล็บวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็นึกถึงภาพของอาการต่างๆไปเปิดหนังสือที่นักศึกษาแพทย์ <S <S เข้าเรียนกันก็ได้ ยังซือ Anatomy หรือถ้ามีโอกาสก็ลองไปที่โรงพยาบาลที่เขาสอนนักศึกษาเ้ามีการผา่าศพก็จะได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งของร่างกายส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่มุมมองของความสวยงามเพราะคนเราเวลาออกจากบ้านก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากหวีผ้าหวีผมทำอะไรให้ดูหน้าดูพะเราเห็นรูป ร่างกายที่สวยแล้วก็เกิดอารมณ์ชอบขึ้นมาดัางนั้นวิวธีที่จะแก้ก็คือเราต้องไปดูรูปที่ไม่สวยดูร่างกายที่ไม่สวยดูส่วนที่ไม่สวยของร่างกายแล้วเอามานึกอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆให้นึกถึงภาพที่ไม่สวยเหมือนกับราหัสท่องสูตรคูณหัดดูไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆจำมันให้มันจัดให้มันติดตาติดใจ แล้วต่อไปเวลาที่เราเห็นร่างกายรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเราก็จะนึกถึงส่วนที่อยู่ข้างในของเขาอยู่ส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังภายใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นแล้วก็มีกระดูกมีอวัยวะต่างๆมีปอดมีหัวใจมีตับมีมีไตมีลำไส้มีสมองให้เรานึกถึงภาพเหล่านี้ แล้วต่อไปเราจะสามารถหยุดความรักความชอบความสวยความงามได้อันนี้เป็นเรียกว่าการเจริญอสุภะต้องพยายามนึกอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆตอนต้นมองไม่เห็นภาพก็ไปเปิดหนังสืออ n น t o ตมดูก็ได้อย่างนี้เข้าไปใน Google ก็ได้เขไปใน Google okay. เ, นเขียนคาว่าอ n น t o m y แล้วก็ขอดูภาพเหล่านี้มันก็จะ ให้เราดู อ, อวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังดูแล้วเราก็พยายามจำมันไว้จำมันไว้ดูบ่อยๆจำบ่อยๆแล้วต่อไปเวลาเราเดินไปไหน mm hmm. เห็นคนนี่เราจะ mm hmm. เห็นทะลุเข้าไปข้างในได้ mm hmm. เป็นเหมือนตาเอ็กซเรย์ปัญญานี่เหมือนเอ็กซเรย์สามารถมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้ อันน er ี้คือวิธีแก้ความชอบความรักในความสวยความงามของร่างกายที่เราต้องแก้เพราะว่าถ้าเราไปรักใครใครแล้วเราก็จะอยากจะอยู่กับเขาอยากจะให้เขาอยู่กับเราเราเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเขาเราก็จะเสียใจหรือได้อยู่กับเขาแล้วเดี๋ยวเขาจากเราไปเราก็จะเสียใจทําให้เราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วทุกข์ แต่ถ้าเราแก้อารมณ์นี้ได้หยุดอารมณ์ความลักความคล้ได้เราจะอยู่คนทีแก้ปัญหาของเราอย่าตามดูรูปสวยงามยิ่งดูรูปสวยงามมันก็ยิ่งเกิดความลักความคข้ขึ้นมาให้ดูนึกถึงภาพที่ไม่สวยงามหรือในเบื้องต้นถ้าเรานึกไม่ออกเราใช้การเจริญสติหยุดความคข้ไปก่อนก็ได้ ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเพื่อให้ลืมถึงรูปที่เราเห็นรูปที่สวยที่งามพอเราลืมแล้วอารมณ์รักอารมณ์ใข้มันก็จะสงบตัวลงได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งต้องหัดเจริญสติก่อนถึงจะจะมีกำลังที่จะใช้ในการเจริญปัญญาต่อไปมีหลายคำถามเลย มีคำถามครับจากคุณประพัฒนะครับพอนั่งสมาธิได้ระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตัวใหญ่ครับห้องครับต้องทำอย่างไรต่อไปมันเป็นความรู้สึกที่หลอกเราความจริงร่างกายเราก็เหมือนเดิมงั้นเวลาที่เรานั่งแล้วเกิดมีอาการอะไรขึ้นมาอย่าไปสนใจให้เราเกาะติดอยู่กับอารมณ์ของเราที่เราใช้ในการภาวนา ถ้าเราใช้คาบริกรรมพุทธโธก็พุทธโธไปเรื่อยๆถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านี้มันก็จะหายไปถ้าเราไปให้ความสำคัญเราก็จะไม่สามารถที่จะภาวนาต่อไปได้เราก็จะเสียสมาธิจะไม่สามารถเข้าไปในสมาธิได้อยากจะได้สมาธินีต้องอยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวไม่ว่าตัวจะใหญ่ตัวจะเล็ก ตัวจะชาจะคันตรงนั้นคันตรงนี้มีอาการอะไรต่างๆให้ให้เรามารับรู้นี้เราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ความสำคัญให้ความสำคัญอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้ความสำคัญกับการดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วเดี๋ยวพอใจพอใจเกาะติดอยู่กับอารมณ์แล้วมันก็จะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวมันก็หายไป รูปหายไปความรู้สึกต่างๆหายไปแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบจิตรวมแล้วทุกอย่างก็จะหายไปเหลือแต่ความว่างเหลือแต่สักแต่วรู้เหลือแต่อุเบกขาอันนี้คือจุดหมายปลายทางของการนั่งสมาธิเราต้องการให้ใจสงบใจว่างใจเป็นอุเบกขาเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกสบายไม่หนักอกหนักใจ ความหนัก อ, อกหนักใจเกิดจากความคิดต่างๆคิดแล้วก็เกิดอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์กลัวอารมณ์หลงขึ้นมาแล้วก็จะทําให้รู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเราภาวนาพุทโธหรื อ, รอลมหายใจเข้าออกนี้เพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างขณะที่ทำถ้ามีแสงมีสีมีอาการอะไรต่างๆก็อย่าไปสนใจ พภาวนาของเราไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันเกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจอารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนาเช่นพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวจิตมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบไปอย่าไปอยา ก, ยากอยาาไปอยากให้มันสงบเวลามันยังไม่สงบอย่าไปอยา ก, ยากพออยากปั๊บมันจะไม่ได้ภาวนาแล้วมันมันหยุดภาวนา อย่าไปอยากให้อยู่กับการภาวนาพุโทโธพุโทโธไปอยู่กับการดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบเองคุณป้าป้าถามมานะครับว่าอยากนั่งสมาธิแต่กลัวผีผีไม่มีหรอกผีจริงไม่หลอกหรอกผีหลอกไม่จริงเข้าใจไหมผีหลอกก็คือใจเราเนี่ยหลอกเราเองคิดไปต่างๆนาน า, น า, นาน แล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาไม่เชื่อลองมาอยู่ที่เปลี่ยวๆคนเดียวดูเลยเดี๋ยวผีมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าอยู่หลายๆคนมันไม่มาเพราะจิตไม่มีเวลาไปคิดถึงผีไปอยู่หลายๆคนแล้วก็คุยกันเล่นกันทำอะไรกันมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามีผีแต่พอเราอยู่คนเดียวปั๊บเดี๋ยวเดียวมันนึกถึงผีขึ้นมาเองแล้วพอใบไม้ไหวหน่อยก็คิดว่าผีมาแล้ว ได้ยินเสียงสัตว์เดินคอแคบคอแคบก็คิดว่าผีมาแนละ้วอันนี้ใจเนี่ยคือผีผีที่หลอกเราก็คือใจเราคิดปรุงแต่งไปเองผีจริงที่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณนี่เขาไม่มายุ่งกับเราหรอกเขาก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปของเขาเขาไม่มีเวลาที่จะมาหลอกเราเพราะหลอกเราก็ไม่ได้อะไรงั้นไม่ต้องไปกลัวนะนั่งสมาธิขอให้เรามีสติ ให้จดจ่ออยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเวลากลัวนี่ให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วสวดมนต์ไปสวดอิติปิโสสวดสวากขาโตสวดสุปิทปันสุปฏิปันโนไปเนี่ยสวดไปเรื่อยๆจนกว่าความกลัวจะหายไปแล้วเราจะรู้ว่าความกลัวมันเกิดจากใจของเราที่ไปคิดมันเองพอใจเราไม่ได้คิดถึงมันมันก็ความกลัวก็จะหายไปผีก็หายไปหมดนไม่ต้องกลัวไม่มีแล้ว จากท่านเดียวกันนะครับเห็นไฟหล่นมาจากหน้าพระหล่นใส่ตรงพวงมาลัยดอกไม้หนูปกติไหมคะถ้าเป็นไฟปลอมก็มันเป็นไฟที่ใจเราคิดไปเองถ้าเป็นไฟจริงก็ส้อควรจะเอาหน้ามาดับมันเสเดี๋ยวไฟไหม้บ้านคำถามต่อไปจากคุณสละออนะครับ <c oughs> หนูเริ่มฝึกปฏิบัติมาปีกว่าแล้วคะ่ะ แต่ผ่านเวทนาไปไม่ได้สักทีหนูต้องทำอย่างไรให้มันผ่านตรงนี้ไปได้คะหนูรู้สึกท้อและหมดกําลังใจแล้วเวลาที่เกิดเวทนาขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมันให้เกาะติดอยู่กับคาบริกามพุทโธไปพุทโธให้ถี่ยิบไปเลยให้มันตายไปกับพุทโธให้มันขาดใจตายไปกับพุทโธเลยไม่ต้องไปสนใจกับความเจ็บถ้าใจเราเกาติดอยู่กับพุทโธ ไม่นานความเจ็บมันจะเบาลงไปหรือหายไปใจก็อาจจะสงบลงไปมันก็เหมือนกับกลัวผีเนี่ยกลัวเวทนาก็เหมือนกับกลัวผีพอเจอเวทนาปั๊บนี่ใจมันสัน่นใจมันดิ้นใจมันอยากจะหนีจากเวทนาพออยากจะหนีมันก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจความกลัวของใจ แต่ถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธคาบริกรรมนี้หยุดความกลัวได้ใจก็จะนิ่งจะสงบแล้วจะไม่เดือดร้อนไม่หวนไหวกับเวทนาของร่างกายใจก็จะอยู่กับเวทนาได้หรือบางทีก็แยกออกจากกันใจเข้าสู่ความสงบแล้วเวทนาก็หายไปมันมีผลได้สองอย่างบางทีใจสงบแต่ยังมีเวทนาอยู่แต่ใจเป็นอุเบกขาแล้วใจไม่เดือดร้อน อยู่กับเวทนาได้หรือบางทีใจสงบลึกเข้าไปจนไม่ไม่ไมรับรู้เรื่องของเวทนาเลยเวทนาเหมือนกับหายไปเลยก็เป็นได้ขอให้เราบริกรรมพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาอย่าขี้เกียจพยายามคิดว่า น, นี่เราใช้พุทธโธเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยกอดบริกรรมไปเลยให้มันบริกรรมไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดถึงอะไรอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วรับรองได้ว่าเดี๋ยวความเจ็บก็จะหายไปหรือไม่เช่นนั้นก็ใจก็จะสงบแล้วก็ใจก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บจะอยู่กับความเจ็บได้ต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บครับรบกวนผู้ชมทางบ้านลดตั้งคำถามก่อนนะครับเนื่องจากคำถามตอนนี้เยอะมากนะครับจะทยอยนะครับแ <c oughs> ป๊บเดียวแป๊บเดียวครับพระขายารย หลายสิบเลยเหลยเป็นสเลยครับเร็วมากรัก็ร้อยกว่าคนเนี่ยร้ยเจสามอนะขอขออนุญาตงดตั้งคำถามก่อนนะครับให้หมดเป็นชุดๆก่อนนะครับเดี๋ยวตอบไม่ทันเดี๋ยวผมก็ถามไม่ทันด้วยครับครับคำถามจากคุณฮอลิีแจนนะครับจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ใจสามารถวางเฉยต่อคำตำหนิ หรือคำด่าทอของผู้อื่นได้คือมันก็มีสองระดับนะระดับแรกก็ระดับของสมาธิถ้าเรามีสติต่อเนื่องแล้วเราทำใจให้สงบได้ใจก็จะมีอุเบกขาใจจะวางเฉยได้แต่อุเบกขานี่มันก็เป็นแบบไม่ถาวรเวลาอยู่ในสมาธิก็มีเต็มร้อย แต่พอจากสมาธิมามันก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปเวลาที่ออกมาใหม่ๆนี่ใครพูดอะไรใครดา่าใครชมก็จะรู้สึกเฉยๆแต่พอสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะจางหายไปแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลาใครพูดใครว่าอะไรถ้าอยากจะใช้ขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาสอนใจว่าคาําด่าคําชมนี้เป็นเรื่องของคนอื่นเขา เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ไม่ให้เราหวั่นไหวกับคำด่าคำชมที่เราหวั่นไหวเพราะเราอยากจะให้เขาชมเราอยากจะไม่ให้เขาดา่าเท่านั้นเองเราต้องมาแก้ตัวนี้ตัวความอยากต่อไปนี้เราต้องบอกว่าเราไม่อยากแล้วไม่อยากให้ใครก็ชมไม่ยัางไม่กลัวคำดุด่าว่ากล่าวใครอยากจะดา่าใครจะนินทาก็เชิญเลย ห้ามเขาไม่ได้เราขอห้ามใจเราอย่างเดียววิธีจะห้ามใจก็คือต้องยอมรับความจริงยอมรับว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้เขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาอยากจะชมก็ปล่อยเขาชมไปถ้าเราจะฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลถ้าเขาชมเราเป็นคำพูดที่ไม่ถูกเขาว่าเราดีแต่เรายังไม่ดีเราก็อย่าไปสนใจ ถ้าเขาว่าเราไม่ดีแล้วเราพิจารณาเห็นว่าไม่ดีอย่างที่เขาว่าเราก็ควรที่เอามาแก้ไขตัดแปลงปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้นถ้าอยากจะฟังให้เกิดประโยชน์ฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังว่าจริงหรือไม่จริงถ้าสิ่งที่เขาว่าจริงเราไม่ดีเราก็แก้เสียถ้าสิ่งที่เขาว่าเราดีเรายังไม่ดีเราก็ทําให้มันดีขึ้นมาอย่าไปหลงไหลกับคําชมของเขาหรืออย่าไปหลงไหลกับคําดุดาของเขาน อันนี้คือเราต้องมาทําใจยอมรับว่าเราอยู่ในโลกของสรรเสริญนินทาจะให้มีแต่สรรเสริญเพียงอย่างเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้มันเป็นของที่มาคู่กันมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาที่เราทุกข์กับคํานินทาเพราะความอยากของเราเราอยากไม่ไม่ให้มีคนมานินทาเราเราก็เลยเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยากให้คนนินทาเราเราก็จะดีใจ เวลาใครนินทาเราแสดงว่าโอ้ยเราจะได้รู้ว่าเราไม่ดีตรงไหนเราจะได้แก้ไขดัดแปลงแต่ถ้าสิ่งที่เขาว่าเราไม่ดีแล้วเรามันเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราก็เฉยเราก็ไม่สนใจก็คิดว่าเขาเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นเขาพูดไปตามอารมณ์ตามความเกลียดความชังของเขาเราเราก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่เขาไม่ชอบเราก็เท่านั้นเองเราไม่จาเป็นจะต้องให้มีคนมาชอบเราหรอก ชอบเราก็แถานั้นมันก็ไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นรเร็วลงแต่ยัยงใดขอให้เราทําใจให้เฉยทําใจให้ฉลาดแล้วเราจะอยู่กับคําชมกับคํานินทาได้อย่างไม่เดือดร้อนคําถามข้อต่อไปจากคุณคิลลี่ลินนะครับนั่งไปเรื่อยๆจะเป็นแสงสีม่วงเขียวไปเรื่อยนั่งจนแสงเป็นสีขาว แล้วอยู่แบบนี้สักพักทำถูกไหมคะเวลานั่งอย่าไปสนใจกับแสงสีเสียงที่ปรากฏให้รับรู้ให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนาถ้าใช้พุทธโธก็อยู่กับพุทธโธไปถ้าใช้ลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจไปจะมีอะไรมาปรากฏอย่าไปสนใจเพราะมันจะทำให้เราเขวจะทำให้เราไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้การนั่งนี้เราต้องการความสงบ เพราะความสงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าเราได้รับความ ส, สุขจากความสงบแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรแต่สิ่งที่มันปราปรกฏให้เราเห็นนี่มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอะไรแล้วอาจจะทำให้เราหลงติดไปกับมันก็ได้แล้วจะทำให้เราไม่ไปถึงจุดหมายที่เราต้องควรจะไปกันก็คือไปสู่ความสงบไปสู่อุเบกขา พอะเราจะได้มีกําลังไว้ในใช้ในการต่อสู้กับตัณหากิเลสต่างๆเวลาที่เราออกจากสมาธิมาน่าใจเรามีอุเบกขามีความสงบเวลาใครนินทาเราก็จะเฉยหรือเวลาเราใช้ปัญญาสอนใจว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าเขาจะชมนี่เราห้ามเขาไม่ได้ขอให้คิดว่าเป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องก็แล้วกันฟ้าร้องเราไปห้ามฟ้าร้องไม่ได้ จะร้องหนักจะร้องดังหรือจะร้องเบาเขาก็ร้องไปตามเรื่องของเขาเสียงของคนจะชมหรือจะด่าเราเขาก็เขาก็ชมเขาก็ด่าของเขาไปถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้เขาด่าเราเราจะไม่เดือดร้อนเราต้องมาแก้ที่ตัวความอยากของเราว่าเราห้ามคนไม่ได้และการด่าก็ไม่ได้ทําให้เราตายเป็นแค่เสียงมาสัมผัสกับหูนี้เท่านั้นเองคําถามจากคุณวันวิสานะครับ ความหมายของคำว่าใจรวมคือการที่ภาวนาจนพุโทโธหายไปใช่ไหมคะถ้ามันหายไปทั้งลมหายใจและพุโทโธต้องกลับมานึกอีกไหมคะคือถ้ามันนิ่งสงบแล้วมันมีความสุขมันมีอุบเบกขาก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามันหายไปเพราะว่ามันหยุดทำมันขี้เกียจแล้วมันก็หยุดไปเฉยเฉยสติเผลิไปหลับไปอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ก็ต้องให้มัน เวลารวมนี่มันจะเหมือนกับตกลุมตกบ่อมันจะรู้สึกแปลกประหลาดมาสัจจันแล้วมันก็จะหยุดภาวนาไปเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องดูลมแล้วไม่ต้องบริกรรมพุทโธแล้วเพราะฉะ น, นั้นจิตมันนิ่งสงบสบายมีความสุขเหมือนกับเราขับรถถึงบ้านแล้วพอถึงบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องขับรถเด็กต่อไปฉะนั้นถ้ายังไม่รวมมันยังคิดได้อยู่ แสดงว่ายังต้องบริกรรมพุโทโธต่อไปยังต้องดูลมต่อไปคําถามข้อต่อไปจากคุณกิ่งนภานะครับทํายังไงถึงจะออกจากความมีตัวตนได้คะก็เวลานั่งสมาธินี่แหละพอจิตสงบตัวตนก็จะหายไปเพราะตัวตนมันก็เกิดจากสัญญาสังขารของเรานี่เองเราคิดเราจําว่ามีตัวมีตนเช่นเราจําชื่อของเราใช่ไหมจานามสกุลของเรา เลิดมาเราก็ได้รับชื่อแล้วเราก็จามันจามันต่อไปเวลาใครเขาเรียกชื่อนี้เราก็คิดว่าเป็นตัวเราขึ้นมาแต่เวลาใจเราเข้าสู่ความสงบนี้ตัวตนนี้จะหายไปเราจะได้รู้ว่าความจริงตัวตนที่แท้จริงไม่มีตัวตนที่แท้จริงก็คือตัวรู้ผู้รู้นี้เท่านั้นศักแต่ว่ารู้แล้วต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิ เราก็จะสอนใจว่าต่อไปนี้เราอย่าไปมีตัวตนกับใครนะเรามีตัวรู้ก็พอคือให้รับรู้เฉยๆใครพูดอะไรใครดา่าใครชมก็รู้เฉยๆไม่ต้องเอาตัวตนออกไปรับเอาตัวรู้ออกไปรับแล้วมันจะไม่เดือดร้อนแต่พอเอาตัวตนออกไปรับแล้วมันจะเดือดร้อนขึ้นมานี่คือความความจริงที่เราจะเห็นหลังเวลาที่เรานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตสงบ สัญญาสังขารที่ทำงานมันจะหยุดไปความรู้สึกว่ามีตัวมีตนก็จะหายไปมีแต่ตัวรูปโผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนตัวนี้แหละที่เราควรที่จะเอาไปใช้ในชีวิตของเราต่อไปเวลาเราทำอะไรไปเจอใครที่ไหนก็รู้ไปใครเขาพูดอะไรก็รู้ใครเ้าทำอะไรก็รู้แล้วถ้าจะตอบก็ใช้ใช้เหตุใช้ผลตอบไป ถ้าเขาถามมาเราก็ตอบไปตามเหตุตามผลแต่เราจะไม่มีอารมณ์กับเขาเพราะเราไม่ได้คิดว่าเขาด่าเราเขาดา่าเขาเพียงแต่แสดงอาการดา่าเขาเียเพียงแต่พูดคำไม่ดีเราก็รู้ว่าเขาพูดไม่ดีก็พอเราอย่าเอาตัวตนไปรับ ว, ว่าเอ้ยเขาด่าเราเนี่ยเขาว่าเราเนี่ยถ้ามีแต่ตัวรู้มันจะไม่มีตัวตวนมันจะรับรู้เพียงอย่างเดียวรู้ว่าตอนนี้เขาดา่า เขาดา่าร่างกายร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้มันก็มีอาการ32เป็นดินน้ําลมไฟเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเวลาเขาด่าใส่เข้าไปในในโทรศัพท์ก็ไม่ได้ดา่าเราแล้วเขาด่าโทรศัพท์ใช่ไหมเวลาเขาพูดเวลาเราพูดคุยกันทางโทรศัพท์เวลาเขาดา่าเขาก็ด่าที่โทรศัพท์เนะ่ยเราเป็นคนรับรู้ก็รู้ไปเฉยๆอย่าเอาตัวตวนออกไปรับ ตัวตนไม่มีตัวตนเป็นตัวสมมุติที่เราหลอกเราเราคิดปรุงแต่งสร้างกันขึ้นมาเองตัวตนเป็นหญิงเป็นชายเป็ชื่อนั่นชื่อนี้มีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อันนี้เป็นตัวสมมุติทั้งนั้นตัวแท้จริงของเราคือตัวรู้ให้ฝึกให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าไม่มีอะไรจะมาทำตัวรู้ได้ทำลายตัวรู้ได้ มันทำลายได้อย่างมากก็คือตัวร่างกายที่เป็นที่เป็นตัวแทนหรือเป็นตัวทำหน้าที่แทน่งแทนตัวรู้เพราะตัวรู้นี่ไม่มีรูปมไม่มีร่างก็เลยต้องใช้ร่างกายเป็นตัวแทนเวลาจะพูดเวลาจะทำอะไรต้องมีร่างกายนั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็เป็นเพียงแต่เกิดขึ้นกับตัวแทนไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวรู้ตัวรู้ไม่มีวันตายต่ให ใส่ระเบิดนิวเคลียร์เข้ามามันก็ตายเพียงแต่ตัวร่างกายตัวรู้มันนี่ไม่ได้ตายรู้อยู่ตลอดเวลาพอไม่มีร่างกายอันนี้ตัวรู้ที่ยังมีความอยากอยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อแต่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่ต้องไม่มีร่างกายก็จะไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาฟังคำดุดา่าว่ากล่าวมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆพระพุทธเจ้าฉลาดท่านบอกไม่มีร่างกายดีกว่า มีแล้วมันยุ่งยุ่งเพราะต้องดูแลเลี้ยงดูมันแล้วก็ต้องเป็นตัวมารับความทุกข์ต่างๆจากคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็โดนคนนั้นเขาด่าเดี๋ยวก็โดนคนนี้เขาว่าเดี๋ยวก็โดนคนนั้นทุบตีเราทําร้ายเรามันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นสู้อย่ามีร่างกายดีกว่าถ้าไม่มีร่างกายได้ก็ต้องไม่มีความอยากต้องหยุดความอยากต่างๆถ้าไม่ถ้ามีความสงบมันก็จะหยุดความอยากได้ เพราะความสงบจะทําให้ใจพอใจอิ่มไม่หิวไม่ต้องการอะไรดังนั้นเราพยายามมาทาความสงบกันให้มากๆนั่งสมาธิกันให้มากๆจเจริญสติกันให้มากๆเพราะสตินี้จะทําให้ใจสงบจใจเป็นสมาธิได้เพราะมีสติถ้าไม่มีสตินั่งไปแล้วคิดฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ดังั้นต้องควบคุมความคิดด้วยสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเลยขึ้นมาก็พูดโทพุดโธไปเรื่อย พอมีเวลาว่างก็นั่งไปนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจสงบแล้วก็จะมีความสุขเราจะทำให้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากได้แฟนไม่อยากได้สมบัติเข้าของเงินทองได้อะไรมามากน้อยเท่าไหร่ก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้คำถามข้อต่อไปจากคุณศิริวัณ น, นะครับอยากถามว่า ถ้าเราฝึกมาสักระยะเราไปฝึกในป่าช้าตามครูบาอาจารย์จิตใจต้องขนาดไม่กลัวตายถึงฝึกได้ใช่ไหมคะคือก็ต้องมีความสามารถที่จะควบคุมความกลัวได้เช่นเวลาไปแล้วเกิดความกลัวเราใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วหยุดความกลัวได้อันนี้มันจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เวลาเราภาวนาในที่มันไม่น่ากลัวมันจิตมันจะจะค่าๆเผลอง่ายมันจะคิดวุ่นคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่มันไม่ค่อยกลัวแต่พอมไปอยู่ที่น่ากลัวมันจะไม่กล้าคิดอะไรแล้วมันจะต้องการให้ใช้สติช่วยดับความกลัวการไปอยู่ในที่กลัวนี่มันก็เป็นประโยชน์สองชั้นชั้นหนึ่งก็ทำให้เราไม่ขี้เกียจภาวนาไม่ขี้เกียจเจริญสติ ขั้นที่สองก็จะทำให้เราหายกลัวต่อไปเวลาเวลาเกิดความกลัวเราก็จะรู้จักวิธีแก้ความกลัวจะแก้ด้วยสติก็ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าจะแก้ได้ด้วยปัญญาได้ยิ่งดีใหญ่ก็คิดว่ากลัวอะไรก็กลัวตายกันทั้งนั้นแล้วมีใครไม่ตายบ้างแล้วคนเราไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายงนั้นถ้ามันจะตายตอนนี้ก็ให้มันตายไปซส ถ้ายอมตายได้แล้วต่อไปจะไม่กลัวตายอีกต่อไปอันนี้เป็นประโยชน์ที่จะได้รับถ้าใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญายังปงไม่ได้ก็ใช้สติไปก่อนหยุดความกลัวด้วยคำบริกรรมไปก่อนตอนนี้มีใครจะถามบ้างขั้นรายการบ้างไหยครับเดี๋ยวถามเยอะเดี๋ยวในตาลาไม่ได้ถามกันใครอยากจะถามมาพูดมาบ้างก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศหมุนภาพสับแพนดูภาพหน่อยนี่ให้คนก็รู้ให้เขาเห็น แพนหน่อยวันนี้ดูบรรยากาศรอบๆอบอาจปรย์ให้ยงไปพุโทโธพุโทโธอ่ะค่ะปกติก็ทําไปห้อยได้แต่มารอบนี้ตั้งใจวันแรกที่ได้ตอคำถามไปลงก็ทําไปสองหมื่นสองหมื่นพุโทโธแต่ตอนนี้ก็พยายามตั้งใจว่าจะทําให้ได้วันละเป็นหมื่นพุโทโธขึ้นไปเพื่อจะยังจะวิ่งขึ้นให้สูงขึ้ ว่ปกติเดิมดีเคยนั่งแล้วก็อยากจะนิ่งคือนิ่งแต่ตอนนี้มันนั่งไม่ได้มันนั่งมันก็ฟุ้งซ่านมันก็คิดนั่งสักพักนึงก็คิดแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นจิตเริ่มนิ่งขึ้นเห็นคุณประโยชน์ของการบริกรรมพุโทโธเพรา ะ, ะมันช่วยหยุดความคิดได้เพ<ต>ราะมันก็ยังมีไปอยู่นะพียังดีแล้วล่ะถ้าเราตั้งเป้าได้แล้วทําตามที่เราตั้งเป้าได้ก็จะดี <c oughs> จะมีประโยชน์มากวันนี้จะเอาพุโทโธสักหนึ่งหนึ่งหมื่นพุโทโธเนี่ย พุทธพุทโธพุทธหนึ่งพุทโธสองไปมันก็เต้องเป็นตั้งสัจจะพราะกว่าถ้าทำไม่ครบเลยเดียว อ, อันนี้แหล ะ, เ, ะเราต้องมีสัจจะเราต้องมีเป้าหมายอธิษฐานว่าไม่งั้นใจเรามันจะหลอแหลมันจะทะเลทะลายถ้าเราไม่บังคับมันมันจะมันจะไม่ทำแต่ถ้าเราบังคับมนแล้วเรามีสัจจะว่าต้องทำให้ได้เนี่ยแล้วพอเราทำได้เราจะได้รับประโยชน์ ใจจะรู้สึกเย็นสบายถึงแม้จะไม่รวมมันก็ไม่วุ่นวาย<ช>อ่านิ่งๆแ้มีอารมณ์กับเขาพูดเห็นก็จะเฉยๆเห็นเขามีอะไรอะรกันปกติเราจะชอบไปยุ่งๆเรก็เห็นมันจะนิ่งๆขึ้นใช่จะทำให้ใจเรนิ่งเฉยๆได้ถ้านิ่งแล้วก็ถ้าถ้าคิดได้ก็คิดไปทางปัญญาพิจารณาอาการสาสิบสองพิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย พิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณาสุภาษะเพื่อที่จะได้มีปัญญาต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้รู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงอาการสามสิบสองมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราเป็นเป็นเหมือนคนรับใช้เราเราเป็นผู้สั่งให้ใจให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้คิดผู้สั่งคิดบ้างสลับกับการทำสมาธิจะได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วถ้าอยู่กับสมาธิอย่างเดียวมันก็จะติดอยู่แค่ตรงหันนั้นพอเวลาไปเจออะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็จะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีความกังวลเท่าเดิมปกติแต่กังวลเรื่องนี้นเ่องนี้างทีก็จะปมีเรื่องติดตามตามคำวาอาจารย์บอกว่าเราตายไปแล้วถ้าเราตายไปทุกอย่างมก็ต้องผ่านตามเรื่องของกังวลใช่สมมุติเราตายวันนี้แล้วเหตุการณ์ต่างๆหลังจากที่เราตายเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้ใช่ไหมใครใครจะเอาสมบัติเราไปทําอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้นะ้วใครเขาจะดา่าเราล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้อยู่แบบคนตายแล้วเราจะมีความสุข สองอย่างคือเป็นขอทานกับออขอทานกับคนตายนีออ่แหละทำตัวให้ต่ำต้อยที่สุดออมีใครถามไหมอยากจะถามอีกไหมมีคนมีคุณจะเอ๋นะครับถามว่าเนื่องจากที่ร้านขายของชำมีเหล้าบุหรี่ด้วยรู้สึกผิดบาปตอนนั่งสมาธิจิตก็คิดแต่เรื่องนี้ทำให้ไม่สงบจะกแก้ไขยอย่างไรดีคะ ก็ต้องตัดสินใจจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาทำหรือจะเอาเงินถ้าจะเอาเงินมันก็มันก็จะต้องขายมันก็จะทำให้เราใจเราไม่สงบไม่สบายใจแต่ถ้าเราจะเอาทำเอาความสงบเราก็อย่าไปขายมันก็ยอมยอมลดลายลา ย, ลายลายรับลงไปเท่านั้นเองแล้วมีแนวคิดทางปัญญาด้านไหนบ้างครับอาจารย์ที่จะทำให้หากเขาจำเป็นยังต้องขายต่อไป ทำยังไงให้เขาตัดจากไอ้ความคิดดีได้ครับอาจารย์ก็คิดถึงโทษของสิ่งที่เราขายว่าขายไปให้คนเขาดื่มแล้วเขาเมาเดี๋ยวเขาไปทุบตีลูกเมียเขาหรือไปทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านหรือว่าขับรถไปชนคนตายให้เห็นโทษแล้วตัวเขาเองก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บไปเดือดร้อนหมอลงเดือดร้อนหมอเดือดร้อนพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งก็เกิดจาก พิษโซลานี่คนที่ดื่มสซรานี่จะมีมีมีมความเสี่ยงต่อโครคภัยไข้เจ็บต่างๆมากกว่าคนที่ไม่ดื่มสุราแล้วอายุของเขาก็จะสั้นเราช่วยส่งเสริมทําลายชีวิตของผู้อื่นช่วยส่งเสริมไม่มีการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นบางทีเงินทองที่จะซื้ออาหารให้ลูกเมียก็มาซื้อสุลาดืม่มลูกเมียก็อยู่แบบอดๆอยาก ลูกแทนที่จะได้ไปโรงเรียนเรียนโรงเรียนดีๆก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเอาเงินมาดื่มสุราหมดให้คิดถึงโทษของสุราเราได้ประโยชน์จากการขายสุราก็เหมือนกับเราได้ประโยชน์บนความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นนั่นเองเราอยากจะมีความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่นหรือถ้าเราเป็นผู้อื่นเราจะคิดอย่างไรให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะยอมเลิกขายมัน ไม่ขายมันก็ไม่เห็นตายนีย่ร้านอื่นที่เขาไม่ขายสุราเขาก็อยู่กันได้เขาขายเสื้อผ้าเขาไม่ได้ขายสุราไม่เห้นเขาเดือดร้อนทําไมเราขายของชำแล้วมาขายสุราด้วยคําถามข้อต่อไปจากคุณรุ่งรักนะครับขณะ ด, ดําเนินชีวิตประจําวันจะฝึกเจริญสติโดยบริกรรมพุทโธเมื่อจิตเริ่มนิ่งจะใช้การรู้ลมหายใจเข้าออกแต่เมื่อจิตมันฟุง้ง ก็จะบริการพุทโธใหม่สลับกันหนูทำถูกต้องไหมถูกแล้วถ้านั่งได้ถ้ามีเวลานั่งหลับตาได้ยิ่งจะดีใหญ่เพราะว่าถ้านั่งเฉยๆหลับตาจิตมันจะรวมได้สงบได้ลึกกว่าแต่ถ้ายังต้องทำภารกิจการงานต่างๆก็ใช้พุทโธเนี่ยประคับประคองจิตไปก่อนอย่าปล่อยให้จิตไหลไปตามกระแสความคิดต่างๆเพราะไม่เช่นนั้นเวลามานั่งมันจะนั่งไม่ได้เพราะมันจะไหลไปกับความคิดอยู่เรื่อยๆ เราต้องหยุดการไหลของใจไปกับความคิดต่างๆก่อนที่เราจะมานั่งแล้วพอเรามานั่งเราก็พุโทโธไปหรือถ้าใจมันไม่ฟุ้งเราก็ดูลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แจะต้องหาเวลานั่งนั่งให้มากๆเพราะจะได้ประโยชน์มากกว่าเวลาที่ไม่ได้นั่งแต่เวลาไม่ได้นั่งก็ต้องทําเพื่อที่จะประครับประคองใจให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคต แล้วเวลามานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายคาถามข้อต่อไปจากคุณนานะครับถ้าความเจ็บปวดเวลานั่งสมาธิเกิดจากโรคที่เป็นอยู่และถ้านั่งนานๆยิ่งทำให้โรคที่เป็นอยู่แย่ลงควรทาอย่างไรคะบริก ร, รมต่อหรือปิดอริยาบทถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องระ ง, งับไว้ก่อนนะเพราะว่า เป็นการไปทำให้ร่างกายนี้เจ็บมากขึ้นแล้วต่อไปถ้าเกิดร่างกายตายไปก่อนเราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายมาใช้ในการปฏิบัติได้เราก็ต้องทะนุถนอมร่างกายไปการที่เราต้องการต่อสู้กับความเจ็บนี้เราทำเป็นเพียงพักๆเป็นช่วงๆเป็นเหมือนกับเป็นการทำข้อสอบเท่านั้นเองแต่เป้าหมายของเรานี้ไม่มีการที่จะมาสร้าง ความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับร่างกายโดยใช่เหตุแต่ที่เราต้องฝึกนั่งให้มันเจ็บเพื่อที่เราจะได้ใช้ความเจ็บนี้เป็นข้อสอบเพราะว่าถ้าเราทำข้อสอบได้แล้วต่อไปเวลาโรคภัยเกิดโรคภัยไข้ขเจ็บเจ็บขนาดไหนเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังทำข้อสอบไม่ได้มันก็จะเดือดร้อนเน้นตอนนี้ถ้าร่างกายมันเจ็บเราก็ใช้ความเจ็บของร่างกายเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งให้มันเจ็บมากกว่าที่มันเป็นอยู่ อ, อยู่กับความเจ็บที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ให้ได้เช่นอย่าอย่าไปกินยาแก้ปวดปล่อยให้มันเจ็บแล้วก็ใช้สติหรือใช้ปัญญามาสอนใจให้อยู่กับความเจ็บคือเราไม่ต้องการที่มันจะมายุติความเจ็บของร่างกายมันเราทําไม่ได้มันเป็นเรื่องของร่างกายมันจะเจ็บก็บปล่อยให้มันเจ็บแต่เราต้องการมาทําใจของเราให้มาอยู่กับความเจ็บให้ได้ปกติใจของเราจะไม่ชอบความเจ็บ พอเกิดความเจ็บมันก็จะเกิดความอยากให้หายเจ็บหรืออยากจะหนีจากความเจ็บไปแล้วพอมันหนีไม่ได้มันก็จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราต้องการมาหยุดความเครียดนี้ดังหหยุดความทุกข์ใจด้วยการใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ให้มันมีโอกาสที่จะไปคิดถึงความเจ็บแล้วมันก็จะไม่เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือถ้าเราจะคิดถึงความเจ็บก็คิดว่าคิดด้วยปัญญาว่ามันเป็น เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของร่างกายที่มันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้ก็ปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายถ้ามันจะหายก็ให้มันหายเองถ้ามันไม่หายก็ให้มันเป็นไปถ้าใจเรายอมรับความเจ็บได้เราก็จะอยู่กับมันได้แล้วเราจใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับความเจ็บ สำหรับผู้รับชมทางบ้านของงดคําถามก่อนนะครับเริ่มเยอะอีกแล้วนะครับครับค่อยๆตอบไปครับคุณตะวันนะครับดับไม่เที่ยงได้วิปัสสนาหรือยังคะคือถามแบบนี้มันรู้สึกว่ามันกว้างเกินไปดับอะไรไม่เที่ยงอะไรเข้าใจไหมถ้าเห็นว่าร่างกายนี้ต้องดับแล้วยอมรับว่ามันต้องดับแล้วไม่กลัว กลการดับของร่างกายก็เรียกว่าวิปัสสนาแล้เรีนรู้ว่าร่างกายนี้เกิดแล้วจะต้องตายแล้วไม่กลัวความตายต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาแล้วเรรู้ว่าร่างกายต้องเจ็บเนี่ยแล้วก็อยู่กับความเจ็บได้เวลามันเจ็บก็ไม่วิ่งไปหาหมอไม่ต้องวิ่งไปหายาแก้ปวดใช้สติใช้ปัญญาทําใจให้นิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยให้มันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ ปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนามีคำถามท่านนึงครับเพิ่งพาใหม่นะครับน่าสนใจขอรักคิวหน่อยนะครับ <c oughs> จากคุณเริ่มต้นใหม่ชีวิตก็เปลี่ยนนะครับ <c oughs> ผมเป็นตำรวจจราจรมีหน้าที่จับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างนี้ถือว่าผมเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าครับไม่หรอกถ้าเราทำตามหน้าที่หน้าที่ของเราเป็นคนที่จะต้องมา คอยควบคุมให้ผู้ขับขี่ยานยนต์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจรเพราะว่าถ้าไม่ทำตามกฎจราจรมันก็จะทำให้การจราจรนี้สับสนหรือติดขัดได้งนั้นเมื่อเขาทำผิดกฎเราก็ต้องเตือนเขาก่อนก็ได้ถ้าใช้ความเมตตาขั้นต้นก็อาจจะเตือนไปก่อนแล้วถ้ายังเจอครั้งที่สองหรือครั้งที่สามก็ควรจะให้เขาเสียค่าปรับ เพื่อเขาจะได้สำนึกผิดและจะได้ไม่ไม่ทำอีกถ้าเราทำตามหน้าที่นี้ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเราทำด้วยความโลภว่าเออยิ่งจับได้มากเท่าไหร่แล้วมีเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยผิดละเพราะตั้งใจจะหารายได้จากการทำความผิดของผู้อื่นเสี่ยงมากเลยครับที่จะถามต่อแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้สั่งมาต้องทาทาไงครับรอาจารย์ก็ต้องเลือกระวาง ความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องถ้าเราคิดว่าเราทําอย่างนี้แล้วเราทําบาปหรือทําไม่ดีเราก็ควรจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ไปหาทำอาชีพใหม่ดีกว่าเพราะว่าเงินทองนี้มันไม่สําคัญเท่ากับศีลธรรมศีลธรรมนี้มันติดตัวกับเราไปแต่เงินทองนี่มันไม่ติดตัวกับเราไปถ้าเรามีศีลธรรมเราไปนี่เราไม่ต้องไปอบายแต่ถ้าเราไม่มีศีลธรรมเวลาเราไปเราต้องไปอบาย เราก็มีความสุขเฉพาะตอนที่เรามีชีวิตอยู่มีเงินมีทองจากการทําผิดศีลธรรมแต่เวลาตายไปนี่ต้องไปใช้ใช้กรรมเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะมันจะหนักกว่าและนานกว่าไปเกิดนิาบายนี่มันนานกว่าอยู่แบบอดอยากขาดแคลนดีกว่ายอมอยู่อยากอดอยากขาดแคลนแต่จิตใจมีศีลธรรมใจยังมีความสุขกว่ามีความสบายใจกว่า คำถามข้อต่อไปจากคุณบะดิกุลนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับปฏิบัตินอกรูปแบบได้ด้วยใช้ไหมขอรับผ้าจาย์คือปฏิบัติแบบไหนก็ได้ขอให้ทําใจให้สงบทําใจให้ฉลาดได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นทําใจให้เราไม่มีกิเลสตัณหาจะเอารูปแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นคําถามต่อไปจากคุณหมอมิ้นนะครับหนูอยากถามว่า ถ้าแม่เราผิดเราเป็นลูกแนะนำพ่อแม่บาปไหมคะก็ต้องอยู่ที่ว่าพ่อแม่เขาปรึกษาเราหรือไม่ถ้าพ่อแม่ถามว่าหรือพ่อแม่เปิดโอกาสให้เราเตือนได้หรือไม่พ่อแม่บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ถือตัวและเป็นคนมีเหตุมีผลก็อาจจะบอกลูกว่าถ้าพ่อแม่ทำอะไรผิดลูกช่วยบอกหน่อยนะ ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสก็บอกได้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่เปิดโอกาสก็อย่าไปบอกหรือถ้าจะบอกต้องบอกแบบอ้อมๆ อ, อ, อย่าไปบอกแบบตรงชี้หน้ากันเช่นทำอะไรผิดบางอย่างเราอาจจะทำสัยุงสัญญาณหรือวางอะไรให้เขาเห็นว่า เ, เขาทำไม่ถูกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราทำไม่ได้คือถ้าเราพูดแบบอ้อมๆไม่ได้ก็อย่าไปพูดา ก, ก็ปล่อยเขาไป เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเขาเลี้ยงเรามาได้ความผิดของเขาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ยินดีที่จะฟังผู้ผู้น้อยหรือไม่ถ้าไม่ยินดีไปพูดไปสอนเดี๋ยวเขาจะเสียใจคำถามข้อต่อไปขอไม่เอ่ยนามนะครับแม่หนูผิดศีลข้อกาเมแล้วมาบีบบังคับหนู เอาเงินจากหนูไปทำแท้งถ้าไม่ให้จากกินยาตายหนูทุกเรื่องนี้มา20ิกว่าปีชีวิตตกต่ำแต่หนูปฏิบัติกรรมฐานเป็นประจําหนูมีทางทําให้กรรมตรงนี้หายไปได้ไหมคะก็กรรมอะไรที่มันทําไปแล้วเราไปลบล้างมันไม่ได้แต่เราสามารถไม่ทํากรรมใหม่ได้ถ้าเรารู้ว่าการกระทําของเรานั้นมันผิด ครั้งต่อไปเราก็อย่าไปทำมันส่วนความผิดที่เราทำแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับโทษของมันไปการทำแท้งเนี่ยเป็นคดีที่ยอมความได้ไหมครับราอาจารย์เป็นการอาโหสิกรรมกันได้ไหมครับหรือว่าเป็นกรรมบาปที่ยอมความไม่ได้คือโทษมันมั น, ม, นมันลบล้างไม่ได้สมมติว่าเราทาแทงเนี่ยเขา ต่อไปเราอาจจะไปเกิดในท้องของใครแล้วเขาก็ทําแท้งล้วเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เกิดก็ทําอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นกลับคืนมาให้คิดอย่างนั้นก็เราเราจะได้ไม่กล้าทำไปไปตัดแขนตัดขาเขาเดี๋ยวชาติหน้าเราก็อาจจะถูกใครคนมาตัดแขนตัดขาเราให้คิดอย่างนี้ทําอะไรกับใครไว้อย่างไรมันจะกลับมาหาเราอย่างนั้นการวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ไม่เกิดก็คืออย่าไปทำํำ คำถามข้อต่อไปจากคุณพชณีนะครับเมื่อนั่งสมาธิเริ่มภาวนาพุทโธจนดูลมจนไม่มีองค์ภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วให้พิจารณาวิปัสนาใช่ไหมคะยัง <c oughs> ยั ง, ยงเวลาจิตสงบนี้ปล่อยให้สงบไปเรื่อยๆก่อนประคับประคองความสงบนี้ให้นานๆเพราะว่าจะเราต้องการกำลังที่ได้จากความสงบนี้ แล้วพอออกจากความสงบนี้เริ่มคิดแล้วถึงค่อยไปพิจารณาทางปัญญาพิจารณาตายรักพิจารณาร่างกายพิจารณาสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ว่าเป็นของไม่เที่ยงเช่นทรัพสมบัติเข้าของเงินทองบ้านช่องอะไรต่างๆบุคคลต่างๆเป็นของไม่เที่ยงสักวันหนึ่งเราจะต้องมีวันพัดภากจากกันเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจพอเวลาเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องพัดภาคจากกันเราจะได้ไม่เสียหลัก ถ้าเราไม่พิจารณาเดี๋ยวเราพอ เ, เกิดขึ้นเราจะตกใจเราจะทําใจไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนต้องทําตอนที่ออกจากสมาธิออกจากความสงบแล้วขณะที่อยู่ในความสงบนี้เหมือนกับนอนหลับพักผ่อนร่างกายเราอย่าไปปลุกคนที่นอนหลับขึ้นมาทํางานปล่อยให้เขานอนหลับให้พอพอเขานอนพอแล้วเขาตื่นขึ้นมาเขาก็เราเรียกเขาไปทํางานได้ ถ้าไปปลูกเขาขึ้นมาทํา ง, งานเขางงเงียเขาจะไม่มีกําลังใจที่อยากจะทํางานฉันใดเวลาจิตสงบก็อย่าไปดึงออกมาให้เขาอยู่ในความสงบนั้นจนกว่าเขาจะออกมาทุกอย่างทุกคนนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงแต่เราไม่คิดถึงมันเราก็เลยไปคิดว่าเขาจะอยู่กับเราจะเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่เราต้องหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นครับ คำถามข้อต่อไปนะครับนะครับจากคุณธนวุฒินะครั บ, บ, บ, นะรบอยากถามเกี่ยวกับการทําสมาธิตอนนี้ทําถึงขั้นเห็นจิตว่างยังรู้ลมหายใจอยู่ติดอยู่ตรงนี้นานแล้วขอคําแนะนําให้ก้าวหน้ากว่านี้ครับอ๋อก็ให้ดูลมหายใจต่อไปเรื่อยๆให้มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวคือตอนนี้ถ้าใช้ลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจไปอย่าหยุด ดูต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะสงบแล้วก็ตามแต่มันยังไม่สงบเต็มที่ถ้ายังรับรู้ลมหายใจได้อยู่แสดงว่ายังมันยังเข้าไปไม่เต็มที่ถ้ามันเข้าไปเต็มที่แล้วลมหายใจจะไม่รับรู้มันจะรวมเข้าไปมันจะวุบเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกเบาอกเบาใจสบายใจขึ้นมาบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนขาดใจตายก็มีเวลาดูลมหายใจแล้วเหมือนกับหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วมันก็สงบเลย สงบแล้วเย็นสบายแล้วไม่ต้องกลัวมันจะรู้สึกว่าเหมือนจะหายใจเพื่อถึงตายแต่ไม่ตายหรอกมันเป็นเวลาที่จิตมันปล่อยลมมันไม่ไปยุ่งกับลมหายใจแล้วมันเข้าสู่ความสงบถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ดูไปเรื่อยๆคําถามข้อต่อไปจะคุณดูลงนะครับบริการพุทโธกับดูเฉพาะลมหายใจอย่างเดียวสองวิธีนี้ต่างกันอย่างไรครับ ใช้อย่างดอย่างหนึ่งก็ได้มนันเป็นอุบายดึงจิตผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าเราไม่มีอะไรผูกใจไว้เดี๋ยวมันก็คิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้คิดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้แต่ถ้าเราดูลมไปหรือบริกรรมพุโทโธไปอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันก็ได้แล้วแต่ความถนัดบางคนก็ดูลมอย่างเดียวบางคนก็บริกรรมพุโทโธอย่างเดียวบางคนก็ผสมกัน หายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทอันนี้แล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ความชอบของไข่ชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นข้อสำคัญก็คือให้เกาะติดอยู่กับการกระทำอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดเรื่องอื่ น, เ, นเวลามีอะไรปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจเกิดอาการตัวพองขึ้นมาตัวชาขึ้นมาตัวแข็งขึ้นมาตัวหดลงไปหรือมีสีต่างๆให้เห็น อย่าไปนสนใจทั้งนั้นให้อยู่กับการภาวนาของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คําถามข้อต่อไปจากคุณน้ํานะครับนั่งสมาธิพุทโธแล้วรู้สึกว่าใจจะขาดรู้สึกเหมือนคนตกเหวนั่นแหละมันก็สงบไปถ้ามันตกเหวนี่ก็แสดงว่าใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็ให้รู้เฉยๆ มันจะขาดใจก็รู้มันจะขาดใจมันจะตกเหวก็รู้มันตกเหวไม่ต้องไปตกใจประครับประคองใจด้วยสติถ้ายังพุโทโธได้ก็พุโทโธต่อไปถ้าถ้าไม่มันไม่พุโทโธแล้วมันนิ่งสงบเฉยๆสักแต่ว่ารู้ก็ให้ใช้สติเนี่ยคือตัวตัวรู้เนี่ยประครับประคองให้มันอยู่รู้เฉยๆไปนานๆอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามข้อต่อไปจากคุณจีรยุทธ์นะครับ จิตพระอรหันต์นั้นต้องทรงยานตั้งแต่ปฐมยาณอยู่ตลอดเวลาไหมครับ เ, ออเรื่องฌานนี่มันเป็นเรื่องของสมาธิซึ่งไม่เกี่ยวกับการเป็นพระอารหันต์หรืรอไม่เป็นพระอารหันต์คนธรรมดานี้สามารถที่จะเข้าฌานได้อย่างที่เรานั่งสมาธิกันเนี่ยเรากําลังเข้าฌานกันเพียงแต่เราไม่ได้มาพูดว่าเป็นฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สาหรือขั้นที่4ีได้เพราะว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะสับสน ไปรู้ว่าขณะที่เรานั่งสมาธินี้เรากำลังเข้าฌานกันฌานแรกนี้ถ้าไปอ่านในคัมพี์ท่านก็บอกว่ามี5ลักษณะมีคุณสมบัติอยู่4หคุณสมบัติมีวิตกมีวิจาร์มีสุขมีปิติวิตกก็คือตึกวิจารก็คือตรองตึกตรองเป็นยังไงตึกก็คือเวลาเราพูดโทนี้เราก็ตึกละตรองก็แสดงว่าเรารู้ว่าเรายังกาลังพูดโทอยู่ตึกตรองเนี่ย ถ้าเรากําลังพูดโทยู่นี่เรากําลังตึกกําลังตรองแล้วตึกตรองไปแล้วก็เกิดความเบาใจสบายใจเกิดความสุขบางทีก็เกิดน้ําตาไหลเกิดปิติขึ้นมาอันนี้ก็เป็นฌานขึ้นมาแนละ้วอันนี้เรื่องของสมาธิไม่เกี่ยวกับการเป็นพระอรหันต์การเป็นพระอรหันต์นี่ต้องกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจคือความโลภความโกรธความหลงและการที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงได้จิตก็ต้องผ่านฌานมาก่อนจิตต้องได้ฌานสี ไ ด, ได้อปปนาสมาธินี่เป็นฌานาที่สี่คือมีอุเบกขาเพราะเราจะต้องใช้อุเบกขานี่มาต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาใครด่าเราก็จะเฉยได้เวลาใครเราเสียหายเราเสียอะไรไปเราก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ได้เพราะเรามีอุเบกขาเราก็จะเฉยเฉยจะไม่เกิดความโกรธความเสียใจจะไม่ไปเกิดความโลภความอยากจะไปทำร้ายผู้อื่น อันนี้เราต้องมีฌานสี่เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงต่อสู้กับความอยากต่างๆถ้าไม่มีฌานสี่มันไม่มีกำลังพอใครพูดอะไรไม่ดีก็โกรธขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่ใช่โกรธเฉยๆตอบโต้เลยเ้าด่ามาเราก็ด่าไปเ้าตีมาเราก็ตีไปนี่แสดงว่าจิตไม่มีฌานเลยไม่มีอุเบกขาเลย แต่ถ้ามีฌานก็จะเฉยๆเรื่องของมันมันอยากจะด่าก็ด่าไปห้ามมันไม่ได้มันอยากจะทุบตีเราก็ช่วยไม่ได้เป็นกรรมของเราอย่างที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วที่เขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วมันก็ได้จบชีวิตเกิดมามันก็ต้องตาย อยู่ไปก็มีแต่เรื่องมีแต่ความทุกข์อยู่ไปทําไมคิดอย่างนี้แล้วก็จะสบายใจแต่ถ้าคิดอย่างนี้แล้วทําไม่ได้ก็สแสดงว่าไม่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาเราจะทําใจได้ก็จะรู้ว่าอยู่เฉยๆเนะ่ยดีกว่าไปทําอะไรเขาด่าเราถ้าเร า, ปาเป็นด่าข้องกลับมาเดี๋ยวเขาก็มาตีเราใช่ไหมแต่ถ้าเราก็เขาด่าเราเราเฉยๆเดี๋ยวพขาปากเขาได้ด่าเราพอใจแล้วเขาก็หยุดด่าเราเองเรื่องก็จบ งั้นการที่เราจะต่อสู้กับตัญหาความโลภความโกรธต่างๆได้เราต้องมีอุเบกขาก่อนเราต้องนั่งสมาธิให้เข้าถึงฌานที่สีให้ได้ก่อนแล้วต่อไปเราจะมีอุเบกขาไว้ต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆอารมณ์โลภโกรธหลงอารมณ์ความอยากต่างๆเพราะในชีวิตของเราเราจะต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มายุยยุอารมณ์เราใช่ เดี๋ยวคนนั้นก็พูดอย่างนั้นทำอย่างนี้ขึ้นมาก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาหรือเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเห็นของสวยของงามก็อยากจะได้เห็นของไม่น่าดูก็เกิดอารมณ์ไม่ไมีอุเบกขาแล้วมันจะเฉยเป็นเหมือนก้อนหินเห็นอะไรแล้วมันจะเฉยเฉยจะไม่มีอารมณ์ตอบโต้กับอะไรทั้งนั้นเัพยายามฝึกสมาธิก่อนให้ได้ฌานสี่ไม่ได้ฌานสี่แล้วก็ออกไปทางปัญญา พิจรารณาทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วเวลามันเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องพัดภาคจากสิ่งที่เราลักเราชอบเราก็จะเฉยได้จะไม่ร้องหอบร้องไห้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามข้อต่อไปจากคุณสิริวันนะครับจเจริญอสุภะเห็นแต่โครงกระดูกอย่างเดียวได้ไหมคะเพราะเห็นอย่างเดียว ถ้าเห็นแล้วดับการอารมณ์ได้ก็ใช้ได้เป้าหมายของการเจริญสุภาษิตก็เพื่อให้เรามาดับการอารมณ์หรือเพื่อให้เรายอมรับความตายพราในที่สร่างกายก็ต้องกลายเป็นโครงกระดูกไปมีโครงกระดูกอยู่ในร่างกายตลอดเวลาเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันเองจะเห็นก็ตอนที่ตายแล้วแล้วเขาชำแหละอวัยวะต่างๆแยกออกมาก็จะเห็นโครงกระดูก การเห็นโครงกระดูกนี้ก็จะทำให้เราละการอารมณ์ได้เช่นเราเห็นใครหน้าตาดีหน้าตาสวยงามรูปร่างสวยงามรูปรอพอนึกถึงโครงกระดูกเขาก็มันก็จะทำให้เราผ่อนคลายความหลงความยินดีความรักใครในร่างกายก็ได้ดังนั้นการดูสุภานี้จะดูอาการใดอาการหนึ่งหดูหลายๆอาการก็ได้เป้าหมายก็คือให้เราดับ ความรักความคข้ให้ได้เพราะถ้าเรามีความรักความคข้เราจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้เราก็จะต้องไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้แล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปในเวลาที่ทะเลาะกันไม่ชอบกันขึ้นมาสู้อยู่คนเดียวไม่ได้แต่จะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องหยุดการอารมณ์ให้ได้หยุดกามาราคะให้ได้ความกาหนัดความรักไข ย, ยินดีให้ไดจ้จะดับมาได้ก็ต้องใช้อสุภะ คำถามข้อต่อไปจากคุณเกตนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนอยู่ในวงกลมนุ่มๆเบามากๆแล้วทำอย่างไรถึงจะรักษาสมาธินี้ไว้ได้ไม่มีเวทนาใดๆเกิดเลยก็ต้องใช้สติให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปนี่เป็นเทศที่จะทำให้ใจสงบส่วนสงบแล้วมันจะมีความรู้สึกยังไงก็อย่าไปสนใจ ให้ถ้ายัางอริกรรมพุโทโธได้บริกรรมพุโทโธต่อไปเพราะว่าความรู้สึกต่างๆนี้ยังแสดงว่าจิตยังไม่เข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ถ้าเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่แล้วความรู้สึกต่างๆจะหายไปหมดใจจะว่างเหมือนลอยอยู่ในอวกาศเนี่ยเหลือแต่ตัวรู้กับตัวเบคขาตัวเดียวคําถามข้อต่อไปจากคุณเล็กนะครับเวลาทําสมถธิวิปัสสนากรรมฐาน จะก้าวเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานต้องทำยังไงครับคือการเจริญสมถะกับวิปัสสนานี้เป็นการทำสองหน้าที่ทำต่างวาระกันวาระแรกที่เราต้องทำก็คือทำใจให้สงบก่อนเพราะว่าถ้าใจเรายังไม่สงบนี้เราจะไม่สามารถพิจารณาทางปัญญาได้และจะไม่สามารถปล่อยวางได้เราต้องมีความสงบมีอุเบกขาก่อน ในเบื้องต้นเราต้องเจริญสมถภาวนาก็คือการนั่งสมาธินี้เรียกว่าสมถภาวนาทําใจให้สงบ พ, พอใจสงบรวมแล้วมีอุเบกขาแล้วพอออกจากสมาธิมาก็มาเจริญปัญญามาเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือให้เห็นความจริงที่เป็นความจริงแท้ๆเช่นร่างกายเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราให้มองอย่างนี้ เราก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเดิมมันมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมันไม่ได้เป็นของเราเพราะวันหนึ่งมันจะต้องเป็นของสัปเปล่ไปร่างกายนี้เดี๋ยวเราก็ต้องยกให้กับโรงพยาบาลยกให้กับวัดไปแสดงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรางั้นเราอย่าไปยึดหยยบไปติดอย่าไปอยากให้มันเป็นของเรา ว่าถ้าเกิดความอยากให้เป็นของเราเวลามันจะจากเราไปเราจะทุกข์มากเราจะเสียใจมากนี่ที่เราพิจารณาด้วยปัญญานี้เพื่อให้ดับความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นจากความหึงหวงความรักในร่างกายของเราแต่เราพิจารณาบ่อยๆเราก็จะปล่อยปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแล้วถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องจากเราไปเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะไม่วุ่นวายใจ เพราะเรารู้ว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องไปแล้วก็ปล่อยเขาไปเหมือนลูกเราเนี่ยเราเลี้ยงเขามาโตแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปสร้างครอบครัวของเขาเขาก็ต้องไปอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาของเขาต่อไปเราก็รู้เราก็เลยไม่เสียใจเวลาเขาไปนี่เราเป็นสิ่งที่เราต้องสอนใจเรียกว่าปัญญาสอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราว ทั้งวันหนึ่งก็ต้องมีวันจากกันไปถ้าเราไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาจากไปจะเสียใจมากแต่ถ้าเราคิดล่วงหน้าแล้วเตรียมตัวเตรียมใจให้เขาไปเราจะไม่เดือดร้อนนี่เรียกว่าวิปัสสนาคิดถึงความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้ายึดติดถ้าหวงก็จะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดถ้าปล่อยให้เขาไปก็จะไม่ทุกข์คำถาม ของผู้ไม่ผสมออกน้ำ น, นะครับผมนั่งภาวนาพุโทโธนั่งไปนั่งมาแล้วกายหายพุโทโธหายไปเลยประมาณชั่วโมงกว่าคงจะได้แล้วอยู่ๆก็ลืมตารู้สึกตัวขึ้นมาเองที่ผมเล่าให้พระอาจารย์ฟังคือสภาวะอะไรครับควรปฏิบตัติต่อไปอย่างไรแนวทางไหนต่อไปคือถ้าความรู้สึกตัวหายไปก็แสดงว่าหลับ เพราะว่าถ้ามันเป็นสมาธิความรู้สึกตัวมันจะมีอยู่ตลอดเวลางั้นถ้ารู้สึกว่าหายไปแล้วสักชั่วโมงหนึ่งความรู้สึกตัวกลับมาก็เหมือนหลับไปชั่วโมงหนึ่งนั่งหลับไปเพราะว่าถ้าไม่หลับมันจะรู้ตัวรู้ว่าใจสงบรู้ว่าตอนนี้ใจไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งรู้ว่าใจไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้ารู้ก็เป็นสมาธิถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าหลับ หลับก็ใช้ไม่ได้ก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นสมาธิคำถามจากคุณวันวิสานะครับอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าก่อนใจจะสงบบางครั้งเหมือนจะเป็นลมหายใจเพื่อสุดท้ายเหมือนใจจะขาดดิฉันรู้สึกมันเป็นภาวะที่ทรมานนะคะเหมือนกำลังจะตายจะขาดใจพยายามนึกถึงพุทโธกลับมาทีที สุดท้ายอาการก็หายไปแต่นึกพุทโธกลับมาอีกครั้งเหมือนกับจุดเริ่มต้นใหม่ควรทําอย่างไรดีคะก็ควรจะปล่อยเฉยๆไปดูลมเฉยๆไปถ้ามันจะหายใจแบบเพือกสุดท้ายก็ให้รู้ไปเฉยๆด้านองเพราะถ้าเราไม่มีปฏิกิริยาเรารู้เฉยๆพอมันหายใจเพลือกสุดท้ายปั๊บมันก็จะสงบแล้วมันก็จะเย็นจะสบายมีความสุข ตอนนี้เรายังเกรงอยู่เรายังกลัวว่าเวลาหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วจะตายมันก็เลยไม่ปล่อยเราต้องปล่อยให้ดูเฉยๆเหมือนกับเราดูคนไข้ยอย่างเงี้ยดูคนไข้ก็หายใจเฮือกสุดท้ายเขาจะหายใจเฮือกสุดท้ายก็ปล่อยก็หายใจไปเขาจะหยุดหายใจก็ปล่อยเขาหยุดหายใจไปไม่ตายหรอกมันเป็นอาการแสดงออกให้จิตรู้ท่านเองว่าจิตได้ปล่อยลมแล้วร่างกายมันก็ยังหายใจของมันต่อไป เนืแต่ว่าใจไม่ไปสนใจไม่ไปรับรู้กับเรื่องของลมหายใจแล้วพยายามลองดูเฉยๆดูลมไปเฉยๆอย่าไปคาดอย่าไปคณีมันจะหายใจเฮือกสุดท้ายขึ้นมาก็ให้มันเกิดขึ้นทันทีทันใดถ้าปล่อยมันเกิดขึ้นทันทีทันใดเราก็จะไม่ไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าเราไปเก่งไว้ไปคิดไว้ก่อนอ่งี้พอมันจะเกิดขึ้นมาเราก็จะต่อต้านมันก็จะไม่ปล่อยลม จิตต้องการปล่อยลมเพื่อเข้าสู่ความสงบคำถามข้อต่อไปจากคุณคณิตานะครับในขณะที่มีอารมณ์โกรธมากๆแต่เรารู้ว่าเรากำลังโกรธแต่ไม่ได้แสดงอารมณ์หรืออาการใดๆแล้วหลังจากนั้นอารมณ์โกรธก็หายไปอย่างนี้ถือว่าเรามีสติกา ก, กับอยู่กับตัวไหมคะ ก็มีในระดับหนึ่งคือเราสามารถไม่ปล่อยให้มันออกมาทางการแสดงทางกายทางวาจาได้แต่เรายังไม่มีสติพอที่จะหยุดมันทันทีทันใดเช่นพอรู้ว่าโกรธปั๊บแล้วก็หยุดปั๊บเลยอยแ่แสดงว่ามีสติเต็มร้อยแต่ถ้ามีแล้วมันยังมีสติรู้ว่ามันโกรธแต่มันยังไม่หายไปแต่อย่างน้อยเรามีสติยับยั้งไม่ให้มันแสดงแต่อย่า ง, งน้อยไม่พูดออกมาไม่แสดงอาการออกมา ก็แสดงว่ามีสติประมาณสักห้าสิบมีครึ่งหนึ่งคือสามารถที่จะดึงไม่ให้มันออกไปข้างนอกได้ไม่ให้ออกไปแสดงทางกายทางวาจาแต่ยังหยุดมันไม่ได้แต่ถ้ามีเต็มร้อยพอรู้จะโกรธปั๊บหยุดปั๊บได้เลยอย่างเงี้ยก็มีเต็มร้อยคาถามหมดแล้วครับอาจารย์หมวเลยใครต่อไหมครับชักจะเหนื่อยละเหนื่อยแล้วเยอะก็ดีมีประโยชน์ดี คนที่อยากจะรู้อยากจะถามจะได้ถามได้ทันทีทันใดวันเสาร์อาทิตย์ก็มันคนเยอะปัญหาคาถามก็เยอะเราต้องเทศยาววันนี้วันธรรมดาก็จะไม่อยากจะเทศเท่าไหร่อยากจะอยู่ตนั่งสบายๆคุยกันใครมีอะไรอยากจะมาเล่าให้ฟังมีอะไรจะถามก็ถามได้คนทางบ้านก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามได้คาถามนี้งงครับอาจารย์คุณแจ๊คถามว่ามีอาการยิ้มในจิต แล้วทำยังไงต่อครับก็ให้ลู้ยเฉยๆไม่ว่ามันยิ้มมันอาจจะมีความสุขมันก็เลยยิ้มขึ้นมาก็ <c oughs> oh? มไม่เป็นไรแต่เราอย่าไปสนใจกับมันถ้าเราต้องการให้ใจสงบให้ใจว่างเราต้องสนใจอยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธไปเรื่อ ย, เ, ยเวลานั่งสมาธิมันจะมีอาการแปลกๆต่างๆให้เราเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกัน นั้นเราอย่าไปสนใจก็แล้วกันถ้าสนใจแล้วมันจะทําให้เราเสียสมาธิเราจะไม่ดูลมต่อเราจะไม่พุโทโธต่อแล้วเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นจะไปไม่ถึงจุดที่จิตรวมสงบอย่างเต็มที่ยังต้องพยายามภาวนาไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเงียบสงบหายไปเองแต่ความรู้สึกไม่ความรู้สึกตัวไม่หายนะถ้าความรู้สึกตัวหายไปด้วยก็แสดงว่าหลับ Hmm. อย่างจูดว่าอย่างเมื่อกี้อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยค่ะมีการถามแล้วก็พยัญต์ตอบโยมก็นั่งสมาธิโยมก็คิดตามแต่ว่าโยมนิ่งทีนี้ถือว่าเราเข้าสมาธิแล้วออยังไม่เข้าเหรอตอนนี้มีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆให้จด จ, จ่ออยู่กับการฟังอยู่แล้วก็ก็คิดตามมาแล้ได้ อ, อนน่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จิตรวมแต่เป็นจิตที่มีสติต่อเนื่อง ที่ไม่ไหลไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จดจออยู่กับสิ่งีอยู่ในปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนกับเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ฟังไปอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดไม่เผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าการฟังด้วยสติอย่างต่อเนื่องมันก็จะได้รับข้อมูลเต็มที่แล้วมันก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได <c oughs> ้มีอะไรเนอออกประจำครับอีกค้องครับ คุณคุณซีเนมนะครับจิตคืนสู่ธรรมชาติเป็นอย่างไรครับคือตอนนี้จิตไม่ได้เป็นธรรมชาติเพราะถูกความหลงความโลภความโกรธยึดครองอยู่เวลาที่เราปฏิบัติจเจริญสมถวิปัสสนาภาวนาก็คือเพื่อเพื่ อ, อที่จะดึงจิตให้ออกจากอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเพื่อจิตจะได้เป็นจิตตามธรรมชาติ เป็นผู้รู้เฉยๆตอนนี้จิตไม่ได้เป็นผู้รู้เฉยๆรู้แล้วหลงไปกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็เกิดความโลภเกิกดความโกรธขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าจิตไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราต้องการให้จิตกลับเป็นธรรมชาติเราก็ต้องใช้สมถะและวิปัสสนาภาวนาทําใจให้สงบแล้วสอนใจให้หยุดความโลภความโกรธความหลงพอกําจัดความโลภความโกรธความหลงหมดไปจิตก็จะเป็นธรรมชาติจิตก็จะเป็นผู้รู้เฉยๆ แล้วก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่รับรู้ใครจะด่า ก, ก็เฉยใครจะชมก็เฉยอย่างที่เมื่อวานนี้เทศสอนฟังว่ า, าให้ฟังว่าจิตว่างจิตเป็นเหมือนน้ำบนใบบัวเนี่ยจิตเป็นเหมือนใบบัวน้ำที่มาแตะใบบัวนี้จะไม่ซึมเข้าไปในในใบบัวดังนั้จิตที่เป็นธรรมชาติแล้วนี้จะไม่ซึมทราบกับเรื่องราวต่างๆจะเห็นจะได้ยินจะ อะไรต่างๆเรื่องราวต่างๆจะเพียงแต่รับรู้เฉยๆจะไม่ยินดียินร้ายจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ไม่ดีใจไม่เสียใจรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปใครด่าแล้วก็ผ่านไปใครชมแล้วก็ผ่านไปจิตไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆไม่เหมือนกับจิตที่ยังไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกับกระดาษซับกับน้ําเนี่ยพอหยดน้ําเข้าไปในกระดาษซับนี่มันซึมไปเลยมันดูดกันเข้าไปเป็นเนื้ออันเดียวกัน จิตของคนที่ยังมีกิเลสอยู่นี้พอมีอะไรมากระทบปับ๊บมาสัมผัสปับ๊บมันจะดูดเข้าไปเป็นอันเนื้ออันเดียวกันเลยมันจะโกรธขึ้นมาจะโลภขึ้นมาทันทีอันนี้เรียกว่าจิต ท, ที่ไม่เป็นธรรมชาติคือจิตปุถุชนอย่างพวกเรานี่เรียกเป็นจิต ท, ที่ยังไม่เป็นธรรมชาติจิตของพระพะร้าอรหันต์ของพระพุงพงทธเจ้านี่เป็นจิต ท, ที่เป็นธรรมชาติกับคืนสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของเขาก็คือเป็นเพียงแต่ผู้รู้เท่านั้น วันนี้คําถามทางบ้านคงต้องอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าพระอาจารย์เริ่มเหนือน่อยเลยนะครับอก็ถ้าเป็นไปได้ก็วันธรรมด า, าก็อาจจะมีการถ่ายทอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอันธรรมดานี้จะไม่ได้เทศจะคุยกันมากกว่าถามตอบ ป, ป, ปัญหากันไปแต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันคือไม่รู้จักวิธีเจริญสติไม่รู้จักวิธีนั่งสมาธิกัน คําตอบมันก็อาจจะซ้ําๆกันไปแต่ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าฟังอะไรซ้ําๆบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปเรื่อยๆฟังหนเดียวบางทียังจะเข้าใจผิดได้ฟังไปแล้วอาจจะไปแปลความหมายผิดได้แต่ถ้าเราฟังบ่อยๆออแล้วเราก็จะเข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้จริงๆฟังไปเรื่อยๆเถอะถึงแม้มันจะซ้ํากันไม่เป็นไรซ้ําเพื่อให้เกิดความเข้าใจความ เพื่อที่เราจะได้นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการฟังเทศฟังธรรมแม้จะซ้ํากันมากน้อยกี่ครั้งกี่คราวก็ไม่เป็นโทษท่านสอนให้ฟังอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง <c oughs> เมื่อรู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วมันไม่ยากเลยทุกวันนี้ที่มันยากก็เพราะมันไม่รู้จักวิธีที่ถูกต้งองสับสนกันไม่หมดบางคนก็สอนให้ทําอย่างนี้บางคนก็สอนให้ไม่ให้ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนั้น มันก็เลยงงไม่รู้จะเอาอยัางไงดีซึ่งความจริงมันบางอย่างมันทำได้ทำอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างนั้นก็ได้เช่นวิธีทาความสงบเนี่ยเจริญสตินี่มีตั้ง40สิบวิธีที่เรียกว่ากรรมฐานสีส่สิจะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้เรียกว่าอานาปนาสติจะใช้พุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติจะใช้ธรรมโอสังโฆก็ธรรมโอธรมานุสติสังคานุสติ แล้วเราเรกถึงความตายก็เป็นมรณานุสติแล้วเราเลกจะดูซากศพดูความไม่สวยงามของรากายก็เรียกว่าอาสุภะการดูสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ใจเราสงบได้ฉั้นมีวิธีแตกต่างกันหลายวิธีแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันเหมือนกับอาหารในร้านอาหารนี่มีต้องหลายชนิดใช่ไหมทุกคนเข้าไปในร้านอาหารไม่ได้สั่งอาหารชนิดเดียวกันแต่ผลที่ได้จากการไปรับประทานอาหารก็เหมือนกัน คืออิ่มท้องเหมือนกันจะกินอาหารชนิดนั้นกินอาหารชนิดนี้มันก็อิ่มเหมือนกันนจริตของคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนมีจริตที่ชอบอย่างนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้บางคนมีจริตอย่างนั้นก็ต้องใช้วิธีนั้นดังนั้นเรื่องวิธีการทาใจสงบนี้เราอย่ามาเถียงกันคือใครชอบวิธีไหนทำวิธีไหนแล้วทาจิตของเขาให้สงบได้ก็วิธีนั้นถูกต้องสาหรับเขา มีอะไรอยากจะถามไหมยังไม่อยากอ่ะหนูว่าหลายเล่าแล้วฮะหนูบ้างฟังพระอาจารย์พูดนะอ่าดีก<อ>็อเอาเอาไปปฏิบัติต่อนะเอะ่เพราะฟังอย่างเดียวไม่พอนะฟังนี้ก็ได้ครึ่งหนึนะ่งฮะแต่ยังไม่ได้เต็มร้อยถ้าอยากจะได้เต็มร้อยก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติต่ อ, อต้องมีมีการฟังแล้วมีการปฏิบัติผลถึงจะเกิดขึ้นดีพยายามฟังไปเรื่อย แล้พยายามปฏิบัติตามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วต่อไปก็จะได้ผลผลส่วนใหญ่มันอยู่ในใจนะไม่ได้ผลข้างนอกการปฏิบัตินี้เราไม่ได้หวังผลข้างนอกคือความร่ำรวยความเจริญในอะไรต่างๆเราต้องการความสุขใจเราต้องการดับความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆอันนี้เป็นผลที่เราต้องการจากการมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติตามกัน บางคนไม่เข้าใจคิดว่ามาฟังเทศฟังธรรมแล้วกลับไปจะรวยขึ้นนะกิจการจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นทางลาบยศสรรเสริญนี่มันไม่เกี่ยวกันนะนะอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้มันไม่ใช่เรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมของการปฏิบททัติธรรมแต่จิตใจจะดีขึ้นจะจะสงบขึ้นจะมีความหนักแน่นมากขึ้นจะมีความวิตกกังวล น, น้อยลงจะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปนะ เอาทุนะมีใครอยากจะถามยังไหมพาอไม่อยากจะให้พรแล้วพ่อก็แล้วเดี๋ยวให้พรเสร็จแล้วถ้ามีคำถามหนุงมาอีกหน่อยก็ถามให้อีกหน่อยก็ได้อาจจะปล่อยให้พวกที่อยู่นี้ได้กลับกันละถามก็ได้อ่าถามคือของก็ะถที่ทำงานช่วยแผนไว้ให้ดูหน้าตาคนให้วลาสุดท้ายบางคนเขาจะทำใจได้ คือเขาผ่านการฝึกมาก่อนเขาภาวนาพุทโธเขาก็จะไปอย่างสงบบางคนเขาไม่เคยผ่านการฝึกมาเลยเขาก็จะดิ้แล้วก็ทุรนทุรายนะคะใช่นั่นแหละคืออย่างนี้หนูจะสอบคือแนะนําเขายังไงให้เขาวางจิตยังไงเพื่อที่จะไม่ให้ทรมานนะคะคงสอนเรื่องทางปัญญาคงจะยากคงใช้ให้อุบายเขาท่องพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก่อนถ้าเขาสวดมนต์ไปจะบอกสวดมนต์ไปเลยสวดไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงอะไร พอส่วนนวลไปแล้วใจมันลืมเรื่องร่างกายมันก็จะเย็นจะสงบแต่ถ้าเป็นคนที่ฟังด้วยเหตุด้วยผลได้ก็สอนเขาบอกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้ตายไปกับมันร่างกายเป็นเพียงลูกน้องเราเร้ากลดเลใช้เราเราไม่ได้ตายไปกับมันเราเป็นดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจพรา่างกายตายไปแล้วก็ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ดีเซะอกร่างกายเก่านี้มันมันจะพังแล้วมันลดเก่าลดเก่าก็ขายทิ้งไปเถอด ไ่ซื้อรถใหม่ดีกว่าให้เป็นอุบายให้เขาปล่อยวางร่างกายไปเขาจะได้ไม่ทุกข์กับมันถ้าเขาฟังไม่รู้เรื่องก็ให้เขาสวดมนต์ไปหรือท่องพุทโธไปก่อนให้เขาหยุดคิดถึงเรื่องร่างกายอย่าไปคิดถึงมันคิดแล้วมันจะทุกข์ทรมานใจก็เอาซีดีไปเปลียให้เขาฟังก็ได้ถ้าเขาชอบฟังธรรมะก็ลองฟังธรรมะไป เดี๋ยวต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบเอานะทำไมอ่านแล้วชอบเหรอชอบค่ะอ่านแล้วมีสายดีคอือสุขใจยเย็นลงใจยเย็นลงใจเย็นขึ้นใจยเย็นลงสบายขึ้นปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ในระดับหนึง่งได้แล้วดีแล้วธรรมะนี้ทำให้ชีวิตคนของคนเราหันเหได้นะ จากความนุ่มจากเป็นคนใจร้อนใจอะไรนี่กลายเป็นคนใจเย็นขึ้นมาเพื่อนบอกเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเยอะดีก็ <c oughs> อ, อ่านไปเรื่อยๆอ่านทุกเล่มเลยแหละแล้วก็ฟังยูทูบด้วยตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดอยู่ <c oughs> ถ้ามีเฟซบุ๊กก็ต่อไปก็สองโมงนี่ก็ลองเปิดดู <c oughs> อ, อตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดอยู่ <c oughs> อัออนนี้เอา เอาทุเรียนเพื่อนอยู่ระยองเพื่อนแฟนเขาเข้าไปฝากมาก็เลยเอาไป้เขาคยณได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากญาติโยมมาลงไปไว้ข้างล่างเพราะข้างข้ามบล น, นี้เราไม่ได้ฉันเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกศิรย์ลงไปช่วยเอาไปให้หน่อยนะเอาไปที่ศาลาฝากคนที่เขาเฝาาา้าศาลาเขาจะได้ทำถวายพา้าพรุ่งนี้อ่านหนุนท่านนะ มาไม่ทันพระการอ่าวันนี้มาทันสามโมงครึ่งีตีมาจากเลยองเลยบอกมามากราพระอาจารย์ก่อนมีโทร่าอะไรมไหมมีอ่าใจมาฟังพี่พระอาจารย์ด้วยได้ทอดสดก็พอดีกกำลังจะปิดพอดีช่วโมงครึ่ง้เะงั้นจะให้ผ่อนเลยนะค่ะ